นับุตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโบตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับุตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรมัสวัง เอตมังกาลมุตตะมันติอะนางสทบายเช้านี้ขึ้นบาลีว่ากาเลนะธรรมะสวานังแปลว่าการควธรทมตามการเอตมังกาลมุตตะมังเป็นมงคลอันสูงสุด ม, มันจะได้รู้ว่า ปากเราที่เราพูดหูเราที่เราฟังปากมันก็พูดไปเยอะหูมันก็ฟังไปเยอะแต่เอาเฉพาะในส่วนที่พูดแล้วเป็นมงคลฟังแล้วเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านว่า ย, ยังไงพระพุทธเจ้าว่ากาเลนะธ ร, รมโสนังการฟังธรรมเป็นมงคลอันสงศนอกจากฟังเรื่องโน้นฟังเรื่องนี้เรื่องนั้นได้เราก็ฟังธรรมด้วยก็ฟังธรรมก็เป็นมงคล าปากพูดอะกาเลนาธรรมมาซากัจชาการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันถุงสุดพุทธาว่าอัอนเช้านี้ก็เปิดบาลีด้วยด้วยการฟังธรรมเพราะว่าเราจะต้องฟังธรรมกันอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันเพราะว่า เราเป็นผู้ฝึกจิตนะเราเป็นผู้ฝึกผลตนเราเป็นลูกพระพู้เเจ้าได้ปาฏิญญาณตนว่าพุทธังสนังกะฉามิเมื่อกี้ใครว่าใครไม่ได้ว่ามั่งมีไหมไ ม, ม, ม, ม่มีมีทุกคนน่ะพุทธังสนังกะฉามิหมายความว่าอะไรหมายว่าว่ายืนตัวตรงหน้าเห็นมองดูฟ้าและกล่าววาจาอย่างดังตะโกนออกไปว่า ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงของข้าพเจ้าจนตลอดชีวิตนี้ธรรมดาที่ไหนใช่ปะฮะมันเหมือนกับเรายืนตัวตรงหาหน้าแมงมองดูฟ้าแล้วกล่าวตะเป็นเสียงออกไปดังๆพุทธังระนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ระลึกที่พึ่งของข้าพเจ้าจนตลอดชีวิตเนี่ย ธรรมังสนังกะฉามิข้าพเจ้าก่อถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าตลอดชีวิตเนี่ยสั้งคังสนังกะฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ระลึถึงของข้าพเจ้าตนตลอดชีวิตเนี่ยทุเตียมแม้ครั้งที่สองตาเตียมแม้ครั้งที่สามโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะอ้าวใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะแต่เราอะเก้าสิบเปอร์ซนส่วนมากคือว่าตามตามให้มันจบจบพิธีกรรมไปก่อน เราไม่ค่อยมานึกถึงรเราก็เบื้องหลังของคําว่าพุทธังระนังกะชาหมิเนี่ยมันคืออะไรทํามความว่าเราแล้วเราทีนี้ในชีวิตประจจุบันของเราพอเราบอกว่าเราถึงรู้เจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เราลึกถึงจนตลอดชีวิตนี้แล้วการเคลื่อนไหวในชีวิตปัจจุบันของเราจะต้องไม่ละเมิดไม่ลําเมิดไม่ล่วงเกินไม่ออกจากแนวทางของพระพุทธเจ้านะถูกปะ ใช่ไหมถ้าออกนอกแนวาทางแล้วเป็นยังไงผิดสัจจะปะติญญาการที่เราเกล่าวว่าพุทธังสนังกชามินั่นคือการกล่าวตั้งสัจจะในส่วนที่ชื่อว่าปติญญาสัจจะปะติญญาเพื่อที่จะยกขึ้นมาว่าชีวิตของฉันนับจากวินาทีนี้ไปจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าเป็น ที่พึ่งจะทำอะไรจะพูดอะไรจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามจะไม่ผิดต่อพระพุทธเจ้าเออเอาไปเลยว่าตามฐานะของตอนของตอนถ้าเราอยู่ในฐานะของคนถือศีหน้าก็จะไม่ผิดต่อพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ถือศีหน้าแตจะอยู่ในฐานะผู้ถือศีนแปดก็จะไม่ผิดต่อพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ถือศีแปดพอหันมาทำความเข้าใจอย่างนี้โอ้มันยิ่งใหญ่เว้ยเอารักษาศีล่ะ รักษาศีลก็รักษาศีลไม่ให้ออกจากแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลแล้วก็โอ้ยถือจนพ้นไปไม่ใช่คิดจนเยอะจนเลยเถิดออกไปอย่างสมมติว่าเราแผนพระใช่ไหมคนแผนพระ แนพระนี่บอกว่าถือพระเจ้าใช่ไหมไยเดินไปไหนไม่ได้ไปลอดใต้บันไดไม่ได้ไปตรงไหนไม่ได้คิดเยอะคิดเยอะจนขนาดไหนขับรถพอจะลอดใต้สะพานลอยเห็นคนกับเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันเบรกทําไมคนอยู่บนสะพานลอยไม่ได้หรอกลงใส่พระลอดไม่ได้อย่างนี้มันเยอะไปไหมมันต้องคิด คิดเยอะจริงแต่ต้องจบให้เป็นแล้วไม่ใช่จบให้ตัวเองลําบากจบให้ตัวเองลําบากนี่เขาเรียกว่าจบโง่โงเนี่ยอันนี้นอกทางพระพุทธเจ้าไปอีกแล้วมันคิดจนเยอะโอ้ยม่ิฉะนั้นเนอะวิ่งรถบนถนนยังไม่ต้องนั่งหรอกเดินเถอะเดินก็ไม่มีที่ให้ไปด้วยนะฮะเดินก็ไม่มีที่ให้ไปด้วยเออตาย บานทีเราก็ต้องคิดได้เยอะได้แต่ต้องจบให้เป็นอย่าไปคิดเพ้อจนตัวเองลำบากอะ่ะขับรถไปก็ไม่ได้ลอดใต้สะพานร้อยก็ไม่ได้อเอเอแล้วใต้ทางด่วนได้ไหมไม่รู้ใครอะ่ะมันขับอยู่ข้างบนน่ะถ้าคิดแบบนี้ เขาเรียกว่าคิดเยอะเยอะจนออกนอกทางของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราคิดวุ่นวายแบบนี้คิดได้แต่ต้องจบให้เป็นอืมถ้าจบไม่เป็นนเรียกว่างโง่ทีนี้ไม่ว่าใครมีมั่งบ่เนี่ยแถวเนี้ยมีมั่งแหละมีเยอะแต่ไม่มีเรรมะจะเอาจากไหนมาเล่าหรอกมันก็ต้องมี <laughs> พวันการว่าพุทธังสนา迦ฌามิธรรมังสนา迦ฌามิสังฆังสนา迦ฌามิที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะต้องแม้ในชีวิตประจําวันการเคลื่อนไหวในชีวิตรเราก็จะต้องไม่ให้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าไม่ให้อยู่นอกเส้นทางตามฐานะที่เราเป็นที่เราทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราเป็นลูกพระเจ้าได้ไหมฮะเออมันได้เออ ทีนี้ให้มันเข้มงวดขึ้นไปว่าเรามาฝึกที่นี่ไม่ว่าฝึกสายไหนฝึกฝนกายใจฝึกจิตเนี่ยเราฝึกทำไมฝึกทำไมต้องตอบในฐานะเป็นลูกพระเจ้านะฝึกทำไมอ่ะเออเรอไปเนี่ยใครตอบนะเมื่อกี้โอ้โ ฝึกทําไมฝึกเพื่ อ, เ, อเราตอบไม่เหมือนกันนะถ้อเหมือนกันเดี๋ยวก็หาว่าเราเตรียมกันมาฝึกเพื่อให้ไปใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นเป็นสุขเออเหมือนกันไหมฝึกเพื่อการใช้ชีวิตในประจำวันนั้นให้มันเป็นสุขโดยที่ไม่ไม่ออกนอกเส้นทางของพระพุทธเจ้า การใช้ชีวิตในประจำวันของเราให้เป็นสุขต้องใช้อะไรไอ้ที่เรามาฝึกฝึกเอาอะไรเนี่ยสติสมาธิและปัญญาถ้ายิ่งฝึกปัญญายิ่งหงดยิ่งฝึกยิ่งโง่ถูกไหมถูกอีกพยักหนะ้านึกในใจว่าถ้ากูถามอีกทีมันต้องพยักหน้าแน่พยักหน้าจริงฝึก ได้ปัญญาโหดถูกไหมไ ม, ไม่ถูกอไม่นจะประหยักหน้าอย่างเดียวติดคุกกันมาเยอะแล้วอทีนี้ฝึกสติไม่พัฒนาถูกไห ม, ไมฝึกสมาธิไม่พัฒนาถูกไห ม, ไมเรายิ่งฝึกเราต้องยิ่งมีสติยิ่งฝึกเราต้องยิ่งมีสมาธิยิ่งฝึกเราต้องยิ่งมีปัญญาเออไงล่ะที่เมื่อเราไปใช้ชีวิต ป, ปัจจุบันของเรา เราใช้สติสมาธิและปัญญาทุกทุกเรื่องแต่เดิมมันน้อยใช่ไหมพอเราฝึกเราก็ต้องหัดใช้เยอะหัดใช้มันเยอะขึ้นสติอะหัดใช้มันเยอะขึ้นสมาธิก็หัดใช้มันเยอะขึ้นปัญญาก็หัดใช้มันเยอะขึ้นนี่เราต้องไปใช้สติสมาธิปัญญาตรงไหนมั่งในชีวิตประจาวันของเราทุกๆกตรงเออตอบดีมากแต่การพูดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ เราต้องใช้ตรงไหนมั่งลองคิดดูสิเราต้องใช้แปดตรงออใช้แปดที่เป็นหลักนะเป็นหลักก่อนให้ได้แปดที่ก่อนเอาสี่ประการแรกคืออะไรใช้กับการกินอาหารใช้กับการสวมใส่เสื้อผ้าใช้กับการ ใช้ที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยใช่ไหมใช้กับการอย่ารักษาโรคการบริหารร่างกายเพื่อให้บรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยใช้ในเรื่องของปัจเจกศีก่อนใช้ในเรื่องของอาหาอาหารน่ะอาหารเวลาเรากินอาหารเออเราเอาสติไปใส่กับการกินอาหารได้ไหมอะแต่ส่วนมากเราจะไปไง เราไม่กินด้วยสติเรากินด้วยอะไรแม้มันเพ่งเลงอยู่กับอาหารแต่จิตมันใช้สติไหมมันใช่อะไรอ่ะเออมันใช้กิเลสทหาพอไปใช้สติใช้ยังไงมีคนมีเขอกตมาเขียนเคยพูดได้ฟังถ้ากินข้าวนะเคี้ยวข้าวทุกคราวคำ จงจดจำเป็นอา จ, จนินนับคำที่เคี้ยวกินกินเรศสิ้นพระจิตรู้ข้าวเนี่ยที่เรากินเนี่ยปกติเราเลือกจกัดสรรอาหารที่เราต้องการเสร็จตักใส่ปากเคี้ยวเคียวกนตักใส่ปากเคี้ยวเค้ยวเกินตักใส่ปากเคี้ยวเคียวนและใจก็มุ่งอยู่กับอะไรมุ่งอยู่กับเรื่องหลังจากกินข้าวเสร็จต้องทาอะไรเพราะฉะนั้นในการกินข้าวของเราก็เลย รีบเร่งรีบเร่งรีบริ่งรืืดเด็ดเดงทีชามเชิญไม่ได้ล้างอ้โยนค้างตั้งไว้ก่อนแล้วไปทําอย่างอื่นไอ้อย่างอื่นที่ตนเองกำลังจะไปทําอยู่นั้นน่ะในขณะที่ทําสิ่งนั้นอยู่มันก็คิดถึงเรื่องอย่างอื่นไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยมีสติเหล่าที่ทําแล้วก็พอไปถึงทําไอ้นู้นอีกมันก็ทำไอ้นู้นแต่ใจไปคิดถึงอะไรอย่างอื่นพอไปถึงอย่างอื่นน้นทำทำทำมันก็ไม่ได้อยู่กับนั้นแท้จริงหรอกมันไปอยู่กับอะไรพอเราฝึกสติเราเอาใหม่ไง เราเอาสติเรากลับมาอยู่กับเรื่องที่เราทาถูกไหม อ, อยู่กับเรื่องที่เราทํรื่้งกินข้าวเนี่ยเราก็กินกินด้วยกินด้วยสติสามัญญาแล้วโอ้โหได้ประโยชน์เยอะมากได้ประโยชน์เยอะมากจากการกินด้วยสติสามัญญานะเอาแค่ okay. เรากินข้าวแบบกินลวกลกเกี้ยวยกยวลืนเกี้ยวกยวเกียวกลืนเกี้ยวเกกลืนเสียรูดีเขามีฟันไว้ทำไม เ อ, อ๊ะทำไมเราเคียววเเค้ยวลวกลวกอ่ะฮะพอเรคเคี้ยวสองสามคำลวกลวแล้วก็กลืนเข้าไปแต่เพราะแทนที่มันจะได้ย่อยดีๆเป็นไงทํางานหนักแล้วย่อยไม่ดีด้วยย่อยไม่เสร็จด้วยไอ้พูดต่อหน้าคุณหมออีกแล้วสองสามหมอไอ้น้ําย่อยที่กเพราะมันหลั่งออกมาเพื่อช่วยในการย่อยแล้วเป็นไงไม่ทั่วถึงเพราะอาหารที่โราเคี้ยวกลืนเข้าไปแล้วมันหยาบเกินไป มันไม่จิกินด้วยสติอ่ะตกลงว่าที่มันเดินผ่านจากกระเพาะออกไปสู่ลำไส้ทำให้ลำไส้ดูดซึมได้ดีไหมไม่ได้ดีกากอาหารที่จะเป็นไพเบอร์เอ่ยจะเป็นอะไรเอ่ยจะออกมาได้ทำหน้าที่ไหมไม่มีก็กลายเป็นของเน่าเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ของแต่ละคนดูนี้เออเพียงแค่เราใช้สติข้าวตักใส่ปากปับ๊บ เกี là, ้ยวเกี ph ้ยวเกี ho, oi, ph ản, làm sai, làm sai, ้ยวเกี ó, ôi, ó, ơ, má, bên, bên c c ้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวคือใช้ควันนี่แหละช่วยลดการทํางานของกระเพาะแล้วใช้ควันเนี่ยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยยแล้วก็กินเข้าไปโอ้กระเพาะไปถึงเป็นไงย่อยก็สบายพอย่อยเสร็จเรียบร้อยส่งผ่านไปทางลำไส้ลำไส้ดูซึมเป็นยังไงว่ามันดีทุกอย่างอ่ะเออไฟบุ้ยไยเบอร์ก็ออกมาได้ช่วยกันเป็นกลุ่มเวนกาก ช่วยกันลากสิ่งที่มันเกาะติดอยู่ตามผนังลำไส้ให้เคลื่อนที่ย้ายลงไปให้มันสะอาดไปหมดอ่ะมันดีไปหมดใช่ไหมล่ะเออนี่ยแค่สตินะมันสติเราใช้ในชีวิตปัจจุบันเราใช้เรื่องของการกินหนึ่งและสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องการกินนี่มันมันหลายเรื่องเลยนะหุงต้มปรุงแกงโอ้ยทุกอย่างเลย ถ้าพอสติไม่ใส่ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการกินก่อนกินขณะที่กินหลังจากที่กินก่อนกินเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนกินเนี่ยเาเรียกว่าขั้นเตรียมการนะผมมีเยอะเหมือนกันซึ่งต้องมีสติอยู่กับตรงนั้นในขณะที่กินก็ต้องมีสติอยู่ตรงนั้นหลังจากกินแล้วก็มีสติอยู่ตรงนั้นทำอย่างเนี้ แล้วพระเจ้าท่านย้ำนของพระนี่พระเจ้าบัญญัติเลยนะพระที่กินไม่มีสติจะเป็นอาบัติทุกกฎทุ ก, ท, กทุกคํากลืนแต่ของพระนี่ท่านท่านเอื้อเฟื้อไว้ให้ว่าถ้านในขณะที่กินไม่ได้เพื่อนไม่ได้ใช้สตินะหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะไปทําสติเสียก็ก็พระก็เลยมี ยถาปั จ, จเวกตังคานกปัต จ, จเวกและอ า, อาตีตปั จ, จเวกพิจารณาก่อนใช้ก่อนฉันพิจารณาในขณะที่ใช้ขณะที่ฉันและพิจารณาหลังจากใช้แล้วฉันแล้ว <c oughs> ถ้าเกิมีเกื่อนเฟื่อไว้แล้ว่าก็ดีทุกอย่างเรื่องที่สองเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันต้องใช้สติในการ เลือกในการเตรียมและในการสวมใส่อย่างมาวันนี้เนี่ยดูที่แต่งคนทุกคนนี่แต่งตัวใคร้ากันหมดเลยแสดงว่ามีสติในการเลือกและมีสติในการสวมใส่แล้วก็พระพเจ้าต้องการให้เราใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างมีสติด้วยเหตุอะไรเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งเรื่องของการสติเนี่ย หนึ่งประโยชน์ประโยชน์ในการทวมใส่เสื้อผ้าสองความคล่องตัวสามการป้องกันอันตรายแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือปกปิดอวัยวะอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความละอายไอ้นั่นคือประโยชน์มันประโยชน์ของเือผ้าที่ใส่ เ น, นเวลาใครมาปฏิบัติทมคิดแต่ประโยชน์ตรงนี้แหละแต่ถ้าไปห้างเป็นไงไปงานเลี้ยงเป็นไงเลยประโยชน์ประโยชน์มันเลยเถิดใช่ไหมประโยชน์มันเลยเถิดแต่ตั้งนี้ทั้งนั้นน่ะท่านให้ใช้สติในขณะที่เลือกในขณะที่จับมาสวมในขณะที่สวมแล้วในขณะที่ใช้สอยแล้วซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเยอะมากเนี่ยสองประการ ประการที่สามเรื่องของการใช้เสนาสนะก้าอี้ที่เราจะนั่งเตียงที่เราจะนอนโต๊ะที่เราจะใช้ไอ้นี่อาสนะที่เราจะนั่งเนี่จะใช้อย่างเงี้ยให้ใช้สติร่วมด้วยทุกๆ ก, การทุกๆ ก, กิริยาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเครื่องใช้เครื่องที่อยู่อาศัยต่อไปเรื่องยารักษาโรคก็เหมือนกันให้มีสติในการใช้มีสมาธิในการใช้ นี่สี่อย่างอา้าวหมดไปสีแล้วอีกสีคืออะไรอีกสี่ก็คือการยืนการเดินการนั่งและการนอนอืมการยืนาการยืนต้องมีสติใช่ไหมอืมในอิริยบทหลักๆต้องเอาก่อนไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่กับอริยบทย่อย ถ้าเราเอาอิริยาบทหลักให้อยู่ตอนยืนอยู่นี่ให้มันรู้สึกตัวว่าตัวเองยืนยืนทุงไหนก็ได้จะยืนจดงานก็ได้ให้รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ยืนทำงานก็ได้ยืนทำอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าตัวเองยืนอยู่การรู้ว่าตัวเองยืนอยู่นั่นมันจะมีลักษณะที่ว่าเข้าถึงความรู้มีความรู้สึกถึงเท้าที่จดฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่ที่พื้นและน้าหนักของตัวเองทั้งหมดกดลงไปที่เท้าและรู้สึกว่าตัว อยู่ในแนวตั้งเนี่ยรู้สึกตัวในการยืนจะทําอะไรก็ทําไปทีแต่เมื่อยืนนั้นให้รู้ว่ายืนไว้สติมันมาพร้อมที่จะที่จะรู้ที่จะใช้งานเดินก็ต้องรู้ในขณะที่เดินต้องใช้สติในขณะที่เดินนั่งก็ต้องใช้สติในขณะที่นั่งนอนก็ต้องใช้สติในขณะที่นอนเมื่อมีสติอยู่ในเรื่องทั้งแปดเรื่องนี้ ทำบ่อยๆที่นึกได้ทำบ่อยๆที่นึกได้ต่อไปสติก็จะมาเป็นเจ้าเรือนในการใช้ชีวิตของเราอิริยาบถ ท, ทั้งหลายแหลเรื่องราวทั้งหลายแหละที่ปลีกย่อยไปกว่านั้นเช่นการยกการเหยียดการคู่ซึ่งเป็นอิริยาบถย่อยจิตมันก็จะรู้ของมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกแล้วจะต้องนำสิ่งที่เราฝึกเนี่ยไปใช้ ถ้าเราไม่นําสิ่งที่เราฝึกไปใช้แล้วเราจะฝึกไปทําไมเหมือนเปรียบเทียบไ้บางคนฟังว่าเรามีเงินเนี่ยเราไปซื้อจักรยานมาทว่าเต็มบ้านเลยเชาวก็ซื้อสีแดงบ่ายก็ซื้อสีขาวเย็นก็ซื้อสีดําซื้อไว้เต็มบ้านเลยซื้อหมวกกันนกซื้อสนับเขา่าซื้อรองเทา้าโอ้ยซื้อทุกวี่ทุกวันเลยแล้วก็ศึกษาแผนที่ ที่เราปั่นจักรยานไปนู่นปั่นจักรยานไปนี่ในห้องเต็มไปด้วยจักรยานเครื่องอุปกรณ์ในการป้องกันในการปั่นจักรยานแผนที่เครื่องบอกทางต่างๆโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราปั่นจักรยานไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรามีเสร็จเราต้องฝึกปั่นจักรยานใช่ไหมต้องเาจักรยานแล้วมฝึกปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นไปได้เหมือนกัน เหมือนเราจะเจริญสติสมาธิปัญญามักฝึกฝนการปฏิบัติตามพอฝึกฝนเสร็จเลิกจากนี่ตอนเย็นออกไปทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมอา้าวและสติที่มันรู้ลมหายใจสติที่มันรู้การเคลื่อนไหวของเท้าสติที่มันรู้อยู่กับการประคองตัวอยู่ในสภาวะตลอดทั้งวันนั้นมันไปไหนอะเออ มันไปไหนอ่ะมันควรจะกลับไปอยู่ด้วยเรามาฝึกเพื่อเอาสิ่งนี้แหละไปใช้ถูกไหมล่ะฝึกเพื่อเอาสิ่งนี้แหละไปใช้ที่วันนี้จะบอกกับพวกเราว่ามัาใช้ตรงไหนอ่ะเรื่องหลักๆแปดเรื่องที่เราเคยทําแบบไม่มีสติก็มาฝึกกันมันมีสติเสียออจําหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆพ่อจับเสื้อผ้าจะใสใช่ไหมนึกถึงหลวงพ่อก่อนเฮ้ยต้องมีสติพ่ตักข้าวจะใสปากเฮ้ยอย่าเพิ่งเกินต้องมีสติ ให้เอาที่ิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจาวันในแปดเรื่องเนี้ยเรื่องปัจเจศีพอเราใช้ในเรื่องของปัจเจศีแล้วสติปัญญาไอ้ปัญญาต่างๆมันจะเข้ามาเยอะเลยถ้าพอามีสติอ่ะพอมีความรู้สึกกับการเคี้ยวอาหาร ปัญญาการีเรียนรู้ในระหว่างนั้นมันจะเกิดขึ้นเยอะมากมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำไปอย่างต่อเนื่องมันจะยิ่งทำให้เกิดปัญญามันจะเกิดความแตกฉานหลายๆเรื่องหลายๆอย่างและที่สำคัญอะไรรู้ป่าเมื่อเราไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยจนมันเป็นจิตตั้งต้นที่มีสติอันมีกาลังอย่างนั้นแล้วเมื่อเราจะมาฝึก เอาสตินั่นแหละกลับมารู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจนี้มันจะถูกตั้งต้นจากสติที่มีกำลังมาโดยประมาณหนึ่งแล้วอ้าวเข้าใจไหมเหมือนเขาควาเกเงินดอกทบต้นดอกทบต้นนั่นแหละ <c oughs> ดอกทบต้ น, นรายวั น, นะเงินห้า0ันบาทใช่ไหมถึงงั้นก็กู้ไป เอได้มาดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบได้เท่าไหร่วะได้ฮะเท่าไหร่เออไม่ค่อยชํานาญนี่ยังไม่มีใครกล้าตอบฟันธงปึ๊กปึ๊ก๊กจะได้รู้ว่าอ๋ออาชีพเขานไม่มีห้องนี้ไม่มีพอได้ดอกเบี้ยมาก็ทบต้นเข้าไปพออีกวันหนึ่งปล่อยใหม่เพิ่นต้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่นต้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่นต้นก็เพิ่มขึ้ น, อ, น, น, นอันนี้ฉันใด ก็ฉะนั้นแหละพอเราไปสติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนสติมันตั้งขึ้นที่จิตพอเราจะมาฝึกจิตจะเอาจิตนี้จะมารู้ลมหายใจจิตรู้นั้นจะตั้งต้นด้วยสติที่มีนิวโน r m a l แล้วมีมีเป็นปกติใหม่เข้ามาแล้วออปกติใหม่ทุกวันะทุกวันทุกวันฝึกใช้ ท, ทุกวันไปเรื่อยๆนี่คือการพัฒนาสติสมาธิและปัญญา ถ้าเราไม่ออกไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราเราคิดดูดิมันมันเสียของอืมเพราะฉะนั้นให้มันสอดคล้องรับกันจากการที่เราปฏิญญาณตนว่าพุทธัทงสนังกชามิธรรมังสนังกฉามิสังคังสนังกชามิการปฏิ ญ, ญาณตนแบบนี้ให้มันยิ่งใหญ่ ให้มันถึงพระพุทธเจ้าเลยว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนที่พึ่งจนตลอดชีวิตนี้และจักขยายความตามความเข้าใจของตัวเองอย่างไรก็ว่าไปว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ชีวิตของข้าพเจ้าออกนอกกรอบที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ได้สอนไว้ข้าพเจ้าจะยินดีและมีความสุข ก, กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไก็ว่าไปไอ้สิ่งดีๆให้อธิษฐานจิตให้มันกระจายให้มันก้องกลางวันอยู่ข้างในนั่นแหละ มันก็จะปลูกศรัทธาด้วยมันจะปลูกความกล้าที่จะทำให้เรากล้าพอที่จะทำให้เราปฏิบัติได้กล้าพอที่จะทำให้เราเอาสติธ ม, มาทิปัญญาไปใช้ได้ถ้าเราไม่เอาไปใช้มันจะเกิดอะไรพระพุทธเจ้าว่าอภิตริทากัลยาเดปาปาจิตตังนิวะระเยทันทังหิกระตตบุญยัง ปาปัสสมิงระมติมโนไอข้อสคัญคือไอปาปสัสสามิงระมติมโนเนี่ยใจเราถ้าไม่ถูกนำสติสมาธิและปัญญาที่ฝึกฝนอย่างถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันอำนาจของอาสาวะอันเป็นทางสู่บาปนั้นยึดครองหมด hmm. เพราะนกลับพลิกกลับไปถ้าเราไม่เอาสติสมาธิปัญญาที่ฝึกไปใช้ เรื่องทั้ง8ปดเรื่องอาการกินการกินอาหารการนุ่งหม่มการใช้ที่อยู่อาศัยและการรักษาโรคนั้นถูกอะไรเข้าไปกืนคว <c oughs> <c oughs> ามร้ายสตินั่นหมายความว่าเป็นเรื่องราวของอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสตหาทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องราวของอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสตถาทั้งหมดเลยทั้งปดถ้ามันยึดทั้งแปดเรื่องนี้ได้ ต่อไปไอ้เรื่องย่อยย่อยในอิริยาบถย่อยเรื่องเล็กเล็กน้อยมันยึดหมดไหมเรียบร้อยนะเรียบร้อยในนั้นเราจะต้องไปใช้ใช้ตัวหลักตั้งแปดแล้วมันก็มีอํานาจเมื่อไรมันก็จะค่อยๆกระจายไปสู่เรื่องอื่นๆรวมทั้งเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกท่านซึ่งฝึกฝนอบรมกันมาหลายๆลหลายหครั้งแล้วต้องตระหนัก ศีลสมาธิปัญญาศีลที่เราสมาทานเนี่ยสมาธิที่เราปฏิบัติและปัญญาที่เราเจริญศีลที่เราสมาทานนั้นถ้าในส่วนที่มันเป็นศีลสมาทานอย่างที่เราสมาทานไปเมื่อกี้นี่นะสมาทานเสร็จแล้วเราก็โมเมลว่าฉันมีศีลโอ้ศีลฉัน เบลอเลยแต่และข้ออ่ะแต่ถ้าเราเอาไปใช้อ่ะเวลาไปใช้ท่านบอกว่าศีลนี่สองศีลแรกคือจาริตศีลกับวาริตศีลจาริตศีลคือทําในสิ่งที่ควรกระทําที่พระเจ้าว่ามันสมควรทําวาริตศีลอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ไม่ควรจะทํา ส อ, อย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้บริหารสังคมส่งมาตลอดวางพระศาสนาแต่ศีลอย่างหนึ่งเรียกว่านิเพทภาคียศีอืศีลที่พวกเราจะต้องนําไปใช้ในชีวิตปัจจำวันชื่อว่านิเพทะพาคียศีลเนี่ยไม่มีจดเลยวันนี้ไม่มีจดเลยเก่งมีจำได้ไหมเคยเคยได้ยินมัง้งนิเพทะพาคียสีนเคยเคยได้ยิน ไม่เคยได้ยิ น, ยยนตั้งใจฟังอย่างเดียวนิพเทภาคิยศีนคือศีนอันเป็นส่วนของการชําแรกเอศีนอันเป็นส่วนในการเจาะศีนอันเป็นส่วนในการชําแรกหรือศีนอันเป็นส่วนในการเจาะซึ่งอยู่เหนือจากชั้นของวาริตศีนและจาริตศีนคือศีนที่เราจะต้องนำไปใช้ ถ่านในสมาทานสีนี้จะเริ่มต้นที่เป็นสีแปดท่านในการสมาทานนะแต่ในการนำไปใช้เนี่ยสีหน้าก็ได้แต่มันมีความหมายว่ามันสีนที่มันมีส่วนในการที่จะช้ำแรกช้ำแรกอะไรศีออมันมีส่วนในการสีอันเป็นส่วนของการแทงทะลุ ทะลุทะลวงเรียกว่า น, นิเพทะภาคิยสินมันทำอะไรมันออกไปทำหน้าที่ในการหยุดการฆ่าออกไปทำหน้าที่ในการหยุดการโกงออกไปทำหน้าที่ในการหยุดการมากๆเจ้าชูสู่ชาย ออกไปทำหน้าที่ในการหยุดการใช้คำพูดเบียดเบียนกันออกไปทำหน้าที่ในการหยุดการลุ่มหลงเมามันด้วยการดื่มการเสพต่างๆเนีย่ยมันมันชําแรกเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องสมาทานก็ได้อันนี้เรียกว่านิเพทภพาคียสิน ไอ้คนที่ใช้นิเพทภาคียศีลเป็นแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันน่ะเขาจะมีฉันทะกับการสมาทานศีลแต่คนที่สมาทานศีลแต่ไม่นิเพทภาคียศีลเขาจะไม่รักษาศีลทําไม่สมาทานถ้าวันไหนไม่ได้สมาทานศีล วันนี้โอ้ยไม่ได้ไปวัดวันนี้ไม่ใช่วันพระวันนี้ไม่ได้รับศีลมาไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้รับศีลมาไม่เป็นไรกินเหล้าได้วันนี้ไม่ได้รับศีลมาไม่เป็นไรจับปลาได้วัดฆ่าสัตว์ได้วันนี้ไม่ได้รับศีลมาไม่เป็นไรโกหกได้นิดหน่อยวันนี้ไม่ได้รับศีลมาไม่เป็นไรยุ่งมะร็งสาบตีได้ฆ่าได้อะไรเงี้ยอันนี้คือพวกที่ยึดติดอยู่ในกับศีลสมาถาน แต่เมื่อใดที่เราเอาศีลสมาทานนี้ถือจนเป็นนิพเพทภาคียศีลศีลอันมีส่วนในการชําแระทะลุทะลวงเข้าไปเนี่ยศีล น, นั้นมันจะเป็นศีลที่เป็นธรรมชาติกับนิสัยสันดานการใช้ชีวิตของเราเพราะเรารักพระพุทธเจ้าเห็นไหมเราทําอย่างนี้จนในที่สุดแล้วเรามีชีวิตที่เดินตามในกรอบรูปแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ นอกจากเราไม่ละเบิดต่อพระพุทธเจ้าแล้วเรายังไม่ละเบิดต่อศีลนั้นด้วยมันก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาสมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่ชื่อว่าสมาธินิเพทภาคียาสมาธิไม่เคยได้ยินใช่ไหมก็มีเหมือนกันนิเพทะพาคียาสมาธิคือสมาธิอันเป็นส่วนของการชำแรกเจาะทะลุทะลวงอยู่เมือก ในการใช้ในชีวิตประจําวันของเราสมาธิในการชํในที่มีส่วนในการชําแรกก็คือว่าธรรมที่ที่มีส่วนในการเข้าไปควบคุมนิ ว, นในวรนนวนในชีวิตประจําวันนิวรในชีวิตประจําวันของเราความรู้สึกส่วนหยาบที่มันพัวพันเกี่ยวข้องกับการมาฉันที่มีมันพัวพันเกี่ยวข้องกับความฟุง้งซ่านความลังเลสงสัยที่มันไปเกี่ยวข้องกับอักขุศรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น ที่มันไปเกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นอกุศลที่เคลื่อนไหวอยู่ที่จิตของเราพวกเหล่านี้จะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดสมาธิที่ชื่อว่านิเพทะปาคียะสมาธินี่คือสมาธิที่มีส่วนโวกรรมชํ้แรกก็คือเข้าไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นอเข้าไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องชใช้ในชีวิตประจําวันใช่ได้ขึ้นมาถามว่าบางคนพอพูดอย่างนี้แล้วโอ้ยหลวงพ่อ โยมเป็นคารวาสนะเออมีพรามบางคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนอะไรจะพูดอะไรเนี่ยเออหาว่าชี้นำเหมือนอาตมามาพูดกับโยมอะชี้นำบังคับไม่ทําตามก็บอกว่าบาป <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเออ ไม่ทำตามก็บอกว่าเดี๋ยวตกนรกจะเอาเละอาบายสี่อะ้าไม่เชื่อก็ไปเอาอาบายทั้งสี่ไปอ่าเห็นไหมมีไหมพระเจ้าไม่พูดแบบนั้นอนะเว้ยนักมาก็ไม่ทำอย่างนั้นที่พูดอธิบายเพราะอะไรเพื่อให้พวกเรารู้เองพูดให้ฟังคิดตามเข้าใจเองใช่ไหมอ๋อเหมือนพระเจ้าเหมือนกัน ท่านพูดว่าอันนี้มันเป็นโทษอันนี้มันเป็นอกุศลอันนี้มันเป็นความไม่ดีอันนี้มันเป็นความทางสู่ทุกข์มันนี่มันเป็นความเร่าร้อนเธอคิดตามแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมบอกโอ้เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นส่วนเธอจะทําหรือไม่ทํททาเธอก็อะเราตถาคาก็บอกว่าอันนี้เป็นประหาะคือควรละเสียอันนี้ก็ควรนั้นเสียนี่ควรนั้นเสียถ้าเธอเห็นว่ารู้แล้วเป็นอย่างนั้นก็จัดการเสียพระพุทธเจ้าพูดชี้แจงสแสดงให้ผู้ฟังนั้น เห็นและเข้าใจเองแล้วก็เลือกทีบางคนไปถามไอ้พระองค์พูดแต่อันนั่นดีอันนี้ดีไอ้ที่ไม่ดีไม่พูดมั่งอะ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าพรามเอออย่างนี้เราไม่ใช่พูดแต่เรื่องดีนะเรื่องไม่ดีเราก็พูดบอกพรามโออย่างนี้สิชีวิตเธอนะเช้าขึ้นมาหนึ่ง วิจาว่าให้ด่าเขาผิดลูกผิดเมียเขานะให้ช่อโกงเขาเออเห็นสามีใครหลอก็คว้าไปเชะเห็นภรรยาใครสวยก็คว้าไปเชะไว้ใจไม่ได้เธอ ท, ทาไปเลยพรามเตอนัตเต อ, อนัตั้งพวิเต อ, อนัตตั้ง คือว่าเมื่อเธอทำอย่างนี้แล้วความพินาศชิบหายก็จะปรากฏกับชีวิตเธอเออจริงไหมจริงวะเช้านมาด่าเขาก็ด่าบาไปด่าไปเห็นอะไรไม่ได้ก็ขโมยทำงานก็ช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันทำไปเออทาไปเธอทำไปปามก็สามพันไอ้กบกบชู้่ะกบชั่ะเธอลองดูสิ พระเจ้าพระเจ้าถ้าเธอทําอย่างนี้ความพินาศย่อยยับก็จะปรากฏกับเธอ น, นอะครับสามพระเจ้ามันพระเจ้าไม่ชีน้นําไม่บังคับไม่ขู่เข็นพูดให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจเห็นชัดเสร็จแล้วเลือกที่จะทําเองเหมือนเหมือนพวกเราเนี่แหละที่เราคุยกันอยู่ตั้งแต่เช้าของวันนี้วันนี้ตั้งใจพูดเรื่องนี้ว่าเราอย่าเอาแต่ฝึก ใช้ด้วยเพราะรอให้ฝึกจนมันเป็นอันตโดมัติน่ะมันช้าแล้วถึงพูดถึงเรื่องของการต่อ ย, ยอดการปฏิบัติไอ้วันนี้เรามานี่ตั้งใจควังเทศรักษาศีลแล้วก็ทำเจริญสติพอเสร็จแล้วเรากลับออกจากที่ไปถ้าเราไม่ใช้มันแป๊บเดียวเองอ่ะหมดอีกแล้วเหมือนฝน ตกแล้วเอาขันแย่ก็ไปที่ชายคาได้มาสี่ห้าหยดแล้วก็ดึงกลับมาตั้งไว้ผ่านไปเดือนหนึ่งฝนตกอีกทีก็ออกขันไม่แย่ก็ไปไปไงไอของเดิมไปไง <Okay. S 1> ฮะไม่ใช่แห้งเฉยๆขี้ฝุ่นเกิดด้วย <laughs> หมดแล้วหมดอีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้และใช้ในแปดจุดที่ว่านี่ <laughs> แต่บางคนก็โชคดีหน่อยได้มีไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านให้การไหว้พระการสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ที่จะทำให้การปฏิบัติของเราต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นในภาคเช้าวันนี้ก็องบอกกับว่าให้ใช้สติสมาธิปัญญาของเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันต้องใช้ให้ได้ ถ้าไม่ใช้เราจะไม่มีวันพัฒนาเอาประการต่อมาอีกเรื่องที่สองสืบเนื่องจากคำถามที่มีคนมาถามวันนี้คำถามแรกนะคนถามกลับไปแล้วก็มานึกได้ว่าเออก็เป็นเรื่องของพวกเราแต่ละคนเหมือนกันคือในการปฏิบัติของเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติ <c oughs> เราปฏิบัติไประดับหนึ่งเรารู้สึกว่าเราสงสัยสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองนะแล้วเราก็งงกับการปฏิบัติของตัวเราเองเช่นบางคนใช้คำบริกรรมใช้คำบริกรรมอยู่ร่วมกับลมหายใจแล้วก็สงสัยว่าทำอย่างนี้ถูกไหมแต่กว่าจะมาสงสัยว่าทำอย่างนี้ถูกไหมมันนานมาก ตัวเปฏิบัติมานานมากแล้วก็มาสงสัยว่าทําอย่างเนี้ยถูกไหมนักธรรมาก็จะตอบว่าถ้าเมื่อใดเมื่อเราปฏิบัติแล้วแล้วเรามีความสงสัยว่าเราปฏิบัติอย่างเนี้ยถูกไหมนั่นแสดงว่าเราตันแล้วเราตันก็เพราะว่ามันเป็นอยู่แต่อย่างนี้ไง มันเป็นอยู่อย่างนี้เช้าก็เป็นอย่างนี้บ่ายก็เที่ยงก็เป็นอย่างนี้เย็นก็เป็นอย่างนี้ซ้ำซากซ้ำซากซ้าซากซ้ำซากจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นเลยมันจึงเกิดความสงสัยว่าไอ้ทำอย่างนี้มันถูกไหมทำอย่างนี้มันถูกไหมแสดงว่าจกคนถามเนี้ยตันแล้วก็มีคำพูดสามคำพูดอ่ะคำพูดหนึ่งก็ว่าสั้นโตปณีโต อาเจนโกในพูดเป็นสองระดับระดับแรกในการปฏิบัติของเราเนี่ยทุกทุกสายเบื้องต้นที่ว่าสันโตก็คือว่ามันต้องเข้าสู่ความสงบก่อนอ่าเข้าสู่ความสงบก่อนความสงบคืออะไรในทีนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้ามา ภาวนามันวุ่นวายใช่ไหมลนะ่ะเออมันไม่ได้นั่งอย่างนี้นี่อยู่บ้านใช่ไหมได้นั่งอย่างนี้ไหมไ ม, ไม่ได้นั่งหรอกเออเดี๋ยวรูปมันก็ใชยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้นั่งอย่างนี้เราต้องทํานั่นทนํานี่ทำโน่อนอุ้ยเรื่องเราเยอะแยะไปหมดเลยขนาดเรามานั่งที่นี่แล้วเนี่ยมันยังตามมาเลยในความคิด เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องจัดการคือเรื่องของสั้นโตคือให้มันสงบสงหบหมายความว่าให้จิตมันหดตัวออกมาจากเรื่องราวต่างๆให้เหลืออยู่เพียงสองเรื่องเป็นอย่างมากจริงๆอะ่ะถ้ามันหดเข้าไปจริงๆก็คือเรื่องเดียวแต่ที่พูดว่าสองเรื่องนี่คือใช้คำต่อท้ายว่าเป็นอย่างมากเพราะบางคนก็ชอบคาบริกรรม พอสองเรื่องเป็นอย่างมากนั่นหมายความว่าถ้าเขามาอยู่สองเรื่องเป็นอย่างมากนี่เขาสงบยังเขาเข้าสู่ความสงบแล้วในเบื้องต้นเช่นเรามาอยู่กับพุทโธรกับเล่ห์ก็ลมหายใจอยู่กับพุทโธแล้วลมหายใจในเบื้องต้นเขามาแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่กับสองเรื่องเออเริ่มสงบขึ้นมาแล้วแต่มันจะต้องเข้าสู่ปานิโต ปณิโตคืออะไรปณิโตคือความละเอียดอะไรแต่จะละเอียดพุดโทโธละเอียดไม่ได้อะไรละเอียดลมละเอียดจิตที่รู้ลมจะละเอียดขึ้นมันจะต้องละเอียดขึ้นเมื่อเกิดปณิโตพุโทโธก็จะหายไปต้องยอมรับ และคนที่ปฏิบัติสายพุโทโธอย่ามาทำถึงทางนะเดี๋ยวจะโดนสวนพุโทโธคืออารมณ์ที่กําหนดขึ้นมาให้จิตเกาะประคองไว้เมื่อจิตเกิดปณีตะคือเกิดความปราณีตพุโทโธซึ่งเป็นอารมณ์หยาบ ก, ก็จะหลุดออกไปจิตรู้ก็จะอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดนั่นก็คือลมหายใจนี่คือปณีตัว ทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยจิตจะรู้เฉพาะลมหายใจที่ละเอียดอันนี้คือปณีต่อาอ้าต่อไปมันจะเกิดอะไรพอมันอยู่กับลมที่ละเอียดจิตที่รู้จิตรู้ที่ละเอียดแล้วอยู่กับลมหายใจที่มันละเอียดไปเรื่อยือย ย, ย, ย, ยจนจิตเดินออกมาจากลมหายใจที่มีการกำหนด มันจะกําหนดยาวหรือสั้นก็ตามแต่จิตเดินออกมาจากลมหายใจแล้วมีสติใช่ไหมมีความละเอียดมีสติแต่ออกมาจากลมหายใจแล้วเพราะมันละเอียดเกินไปรู้นั้นละเอียดเกินไปมันก็เดินออกมาจากลมหายใจเพราะลมหายใจมันหยาบพอเดินออกมาจากลมหายใจปล่อยลมหายใจแต่ยังรู้ลมหายใจนั่นหมายความว่ารู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าอย่างธรรมชาติของกาย ต้องแยกตรงนี้ได้เลยนะขั้นที่สามก็คือรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติของกายลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของกายคือลมหายใจแบบไหนก็อย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าหายใจอยู่รู้ตอนถามนี่แหละแต่ตอนที่มันตั้งใจฟังมันไม่รู้แล้วรู้ไหมตอนนั้นะที่ผ่านมาตอนนั่งอย่างมานั่งตรงเนี้ยลมหายใจร่าง ก, กายมันหายใจอยู่นั่นน่ะมันหายใจโดยธรรมชาติของกายใช่ไหม จิตที่มีสติและรู้ที่ละเอียดเดินออกมาจากลมหายใจและอยู่กับอุเบกขาที่ที่มันปรากฏณนะตอนนั้นเมื่อลมหายใจมาเองมันก็รู้ลมหายใจไอเนี้ยเขาพูดแค่รู้ไอคบว่าแค่รู้เนี้ยมันเกิดขึ้นมันก็รู้ลมหายใจลมหายใจออกมามันก็รู้ลมหายใจพอลมหายใจออกสุดมันก็กลับมาอยู่ ไอ้ตรงนี้มันเกิดอาเสจนาโกทำไมความหมายคือว่ามันมีความแช่มชื่นอยู่ซึ่งมีองค์ของสติมีองค์ของ อ, อุเบกขาที่มันปรากฏจิตที่ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ตัวนี้แหละมันเป็นความแช่มชื่นของจิตเรียกว่าอาเสจนาโกสามชั้น ถ้าเราเข้าใจสามสามเรื่องนี้เราตอบตัวเองได้เลยลองรับรับตานั่งดูกูอยู่ขั้นไหนวะตามตัวเองได้เลยถูกเปล่าอืมเราต้องถามตัวเราเองได้เลยเพราะอะไรเพราะทุกขณะที่เราปฏิบัติมันจะมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งเราเรียกว่าสภาวะ ใช่ไหมมาและมีจิตซึ่งมีความรู้ที่พัฒนาขึ้นมามันเข้าไปรู้ในสภาวะนั้นเรียกว่ามีความรู้และมีสภาวะปรากฏมีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏนั้นอย่างสัตชักแจ้งทําให้เรารู้ด้วยตัวของเราเองเหมือนฮิริแปลว่าอะไร ความละอายความละอายต่อบาปถ้าอตาตมาบอกทุกคนจงมีฮีรีเดียวนี้ได้ไหมเจ้าข่าทั้งนั้นอะ่ะจะทําได้เปล่าไม่รู้จะทํำยังไงไม่ใช่มันทําไม่ได้นะจะยอมหลวงพ่อแหละแต่ไม่รู้จะทํำยังไงจะเอาฮีรีมาตัวฮีรีมันเป็นแบบไหนล่ะมันจะตั้งขึ้นมายังไงอะ่ะ เอาทุกคนจงมีฮีรีเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะมียังไงถูกเปะละ่ะเออแต่เมื่อเราจะเริญนภาวนาปฏิบัติฝึกฝนขัดเกลาไปเรื่อยเรื่อยรื่อยรื่อยเืยมันมีอกุศลสิ่งซึ่งชื่อว่าบาปปรากฏขึ้นจิตเกิดความละอายเกิดความละอายในความที่อกุศล น, นั่นปรากฏที่จิตจิ ต, จตเกิดความละอายมากเกิดความละอายมาก เรารู้อ๋อนี่ไงฮิริเรารู้จักอย่างนี้รู้จักมั้งพอมปรากฏอย่างนี้รู้จักอย่างใช่ไหม น, นี่คือมีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏทุกตัวเมื่อมีความรู้รองรับสภาวะใดที่ปรากฏ จิตจะประจักแจ้งต่อสภาวะนั้นนี่เป็นเป็นเรื่องของธรรมะให้ละเอียดขึ้นไปอีกมีความรู้มีสารรู้ไปรองรับสภาวะที่ปรากฏเมื่อจิตตั้งอยู่ที่อุเบกขาดังกล่าวเมื่อตะกี้นี้ที่ว่าอสิจนโกนี่นะ เมื่อจิตหลีกออกมาจากลมหายใจมีสติอยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏเรียกว่ามันตั้งมัน่นสิ่งใดเกิดขึ้นปับ๊บมันรู้ว่าเกิดขึ้นมันไม่ไปปรุงไปแต่งไปให้ความหมายด้วยอำนาจของสัญญาหรือใดๆแค่รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นพอมันดับไปปับ๊บมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันดับไปเพราะมันรู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏ นันการเห็นสภาวะเกิดขึ้นและดับไปอย่างประจักษ์แจ้งจะเกิดตอนนี้และจิตที่รู้เห็นการเกิดและดับของสภาวะตามความเป็นจริงนั้นเราเรียกว่าปัญญาเพราะอะไรปรากฏเกิดขึ้นมันก็รู้ว่าเกิดมันไม่ไปปรุงหรอกมันเช่นมันรูปมาขึ้นมาเออเป็นรูปผู้หญิงสาวเออมันก็แค่รูปปรากฏมันไม่ไปปรุงว่าโอ้ยผมยาว เขาผมใช้เสื้อลายอะไรเงี้มันไม่เป็นวงมันแค่ว่ารู้ ร, ร, รูปรากฏเพราะสภาวะนั้นเกิดขึ้นด้วยมีความปรากฏมันก็รู้ว่าปรากฏพอมันหายไปก็อ๋อหายไปสภาวะใดปรเกดขึ้นก็เกิดขึ้นหายไปเกิดขึ้นหายไปในความเกิดขึ้นและความดับไปของทุกๆสภาวะนั้นไม่มีเพศใช่ไหม ไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยมันเป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะในขณะจิตรู้อย่างนี้ซื่ออืมอันนี้แหละเรียกว่ารู้ด้วยความตั้งมัน่นที่ว่ายะท่าภูตังประช า, าติรู้ตามความเป็นจริง เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงมันรู้อย่างเนี้คั้นรู้ไปเรื่อยเอ่อันี้เกิดขึ้นสภาวะ น, นี้เกิดขึ้นก็รู้อันนี้ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้รู้รู้รู้รู้ในที่สุดจิตก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมัน ม, ม, มีมีแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏก็มาผ่านไปผ้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปจนมันมั่นใจอย่างลึกซึ้งขึ้นมาว่า มันมีแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นธรรมจักรสูนะคนที่เห็นคนแรกในศาสนานี้คือท่านพระหาพระัญญากุลธัญะญนี่การเดินทางของการปฏิบัติของเราต้องจัดเป็นสามสามสามเรื่องที่ว่านะเรื่องของความสงบเรื่องของความปราณีต แลเรื่องของความเช่มชื่นอย่างที่กล่าวถ้าท่านไม่ได้ภาวนามาเลยท่านจะไม่เข้าใจหรอกว่าความตั้งมั่นเป็นอย่างไรแต่หลายคนที่นั่งที่นี่แทบทั้งหมดเข้าใจแล้วบางคนก็เกือบจะเข้าใจบางคนควังวันนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเออตัวเองเพิ่งเข้าใจ พอพูดไปมากๆก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้เราก็เคยเป็นอ๋ออย่างนี้เราก็เคยเป็นอันนี้ก็คือความรู้มารองรับสภาวะสภาวะที่มันเคยเกิดและดับไปแล้วแต่เราไม่รู้พอเราได้ฟังวันนี้แล้วเราก็รู้อ๋อก็ความรู้นั้นมารองรับสภาวะของเราเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมันมีความรู้นี้แล้วสภาวะเดิมปรากฏต่อเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วมีสภาวะเดิมปรากฏมันก็จะรู้ทันทีเพราะว่ารู้ปรากฏแล้ว ความจริงของสภาวะที่ปรากฏก็เคอปรากฏแล้วถ้ามันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้มันเรียก ว, ว่ามีความรู้มีสภาวะมารองรับความรู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏอืมก็สองเรื่องชาวนี้นะว่าให้เอาสติสมาธิไปใช้ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ถ้าเราไม่ใช้ เราจะเสียของเปรียบเหมือนเราไปซื้อจั ก, กรยานนั่นแหละไปซื้อจั ก, กรยานมาไว้เต็มบ้านซื้อแผนที่มาไว้เต็มบ้านอ่านศึกษารู้หมดเลยออกจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเลี้ยวตรงนั้นเลี้ยวตรงนั้นข้ามสะพานนั้นไปถึงตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นตรงโน้นเขาเรียกว่าอันโนนตรงโน้นก็เรียกว่าอันนั้นรู้หมดเลยเออแต่ตัวเองขี่จั ก, กรยานไม่เป็น เสียของไหมเสียของมากเพราะฉะนั้นให้ไปใช้ฝึกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกินข้าวไหมเขาบอกกินข้าวทุกคราวคําจงจดจําเป็นอาจินนับคําที่เคี้ยวกินกินเหลือสิ้นพระจิรูอาบน้ำมีไหมอาบน้ำอาบน้ำเนี่ยอาบน้ํารู้ร้อนเย็นเห็นน้ำเห็นน้ํำอาบน้ํารู้ร้อนเย็น เห็นน้ำไหลต้องกายาเห็นสบู่ถูไปมาเอ อ, อันนี้มันเป็นแบบเกาะอยู่กับเรื่องที่ทำจริงๆนะเห็นสบู่ถูไปมาเห็นไหมเวลาเราถูระบู่แล้วก็เห็นสบู่ถูไปมาเห็นแล้วก็ไม่ไปสำคัญคาดหมายถ้าเห็นตรงๆเนี่ยเห็นหนังก็เป็นหนังมันข้ามชื่อข้ามบัญญัติข้ามสมมุติไปหมด ให้เห็นตรงๆเห็นด้วยสติเนี่ยเห็นหนังนมันก็เป็นหนังอ๋อลึกกว่าหนังเป็นอะไรวะอ่าเลือดเนื้อใช่ไหมมันก็เห็นเห็นเห็นตามมนุมานไปให้เอาไปใช้ในในชีวิตประจำวกวาดกวาดบ้านได้ไหมได้ไหมกวาดบ้านได้เปล่าได้ไหมเคยกวาดเปล่าต้องถามว่าเคยกวาดไหม บ้างเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องหลุดอ๋ออย่างงี้ต้องไปกวาดที่วัดบ่อยๆหน่อยนะมีทั้งอันเล็กอันใหญ่เต็มไปหมดเลยใบไม้ก็เยอะกวาดใช้ได้ไหมได้ใช่ไหมอ่าหุงข้าวได้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่เปิดถังข้าวสารตักข้าวสารกรอกเข้าไปในหม้อ กร อ, อกไปเปิดน้ำล้างซาวใช้สติด้วยไหมใช่ปะ่ะซาวเสร็จทน้ำเปิดน้ำม่ก็น้ำให้ได้ระดับใส่เช็ดก้นมอยแห้ก่อนนะเดี๋ยวไฟดูดนี <laughs> ่เป็นสติหมลนอะใส่เข้าไปในหม้อปิดฝาเสร็จเสียบปลักป๊กกดสวิตช์ทุมันมีกระบวนการเยอะมากที่จะให้เราใช้สติแต่เราไม่ เราประมาทเราก็เลยไม่เคยได้สิ่งนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดการปฏิบัติของเราเอาซักผ้าซักผ้าเดี๋ยวนี้ใช้สติน้อย<ม>เพราะอะไรเพราะหิวตะกรา้าเทตูมทำไมหิวตะกร้ามาปั๊บก็เทตูมลงไปกดสวิตต์ใส่น้ำยาปิดขวารอแล้วก็เอาตากก็ มันเหลือให้ทําเท่าไหร่ทุกทุกกิริยาขอให้มีสติเขออ้าใจไหมทุกทุกกิริยามันเหลือเท่าไหร่ทุกทุกกิริยาให้มันเป็นสติเข้าไปร่วมด้วยะเบมอแต่แต่เมื่อก่อนชักผ้านี่โอ้ยายเดี๋ยวนี้ในวัดในวาก็โยมก็เอาเครื่องไปตั้วไว้พระก็ ไปใช้สติหนักกว่าต้นจ่ายค้าไฟนั้นทุกเรื่องเราในชีวิตเราอะพยายามเอาไปใช้ถ้าเราใช้ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนมันจะทำให้เราใช้ในเรื่องอื่นง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราใช้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนเชี่ยวชาญชำนาญ เราก็จะใช้ในเรื่องอื่นง่ายขึ้นถ้าเราใช้ในเรื่องการกินข้าวได้ชัดเจนเราก็จะได้ใช้ไปในเรื่องของการทำกับข้าวด้วยเราก็ได้ใช้ไปเรื่องการขับรถอาบน้ำกวาดบ้านทำความสะอาดเฮ้ยแยะไปหมดเลยที่จะใช้เพราะว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่เราตัดสินใจใช้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรอื่นได้บอกว่าโอ้ยมัวแต่ใช้สติเดี๋ยวก็พลาดอ่ะนีโอ้อย่างงี้ก็แย่แล้ว ไอ้เก็มีแต่ไม่มีสติเลยพลาดถ้าโมจะใช้สติคลัวจะพลาดมันก็มันผิดเรื่องแล้วนะอืมนั้นเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันเป็นวิธีพิสูจน์พิสูจน์การปฏิบัติของเราเป็นวิธีพิสูจน์เลยการปฏิบัติของเราถ้าก่อนที่จะมาปฏิบัติก่อนที่จะมาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เราเป็นคนขี้วีนขี้โกรธมีปัญหา กระทบไม่ได้แตะไม่ได้นิดไม่ได้หน่อยไม่ได้แล้วเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วกลับไปมันยังมีอย่างเดิมมันยังมีอย่างนี้อยู่อ๋อแสดงว่าเราเก้าวหน้าไหมไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเด็ดขาดแกล้วกล้าที่จะต้องนาสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยไปใช้เวลามันจะวีนเวลามันจะเดอสิ่ที่ไม่ถูกใจเอาไปใช้ เมื่อก่อนพอเราเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็พูดเลยใช่ไหชายตอนแรกๆเนี่ยเก็บไว้อย่าพูดให้ชำนาญหลังจากนั้นก็ชายขั้นที่สองแผ่เบตามันไปเพื่อไม่ให้ค้างอยู่ที่ใจถ้าช้สติแล้วทางออกมันเยอะมากมันเป็นตัวนี้มันเป็นสติแต่สติโดยปกติสติที่เรารู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆเนี่ย แค่ระลึกเรื่องพวกนี้มันกั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันกั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันน่ากลัวนะถ้าท่านทั้งหลายไม่นำไปใช้นะเราฝึกแล้วเราไม่นาไปใช้นะเรายิ่งฝึกเรารู้สึกว่าบางคนเรายิ่งฝึกทำไมมันยิ่งโกรธมากขึ้นทำไมฝึกเข้าวัดทุกวันกลับไปถึงบ้านทะเลาะกันทั้งบ้าน เดี๋ยวก็เข้าวัดเดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็เป็นประธานผ้าป่าเดี๋ยวก็เป็นประธานกถินเดี๋ยวก็ไปทำนัน่ทนทานี่พอเข้ามาถึงบ้านโอ้โหเห็นสามีเป็นมดเป็นแมงทำไมยิ่งปฏิบัติเบตามันยิ่งหดวะพอเข้าวัดไโอ้ยนักบุญพอเข้าบ้าน อะไรมามันไม่ได้มันเป็นเรื่องพิสูจน์เราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรานำไปใช้ใช้กับสิ่งเหล่านี้รับรองได้เลยมันจะเป็นเครื่องวัดว่าเราพัฒนาหรือไม่นี่ของพระเจ้าถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อเราเรียนรู้และปฏิบัติตามพระองค์วิถีชีวิตของเราจะพัฒนาขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดเบื้องต้นพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นดีก่อนสู่ความเป็นดีก่อนสู่ความเป็นดีสู่ควาเป็นดีเป็นยังไงนี่มีกี่ฐานะเธอแม่ยังอยู่ใช่ไหมนวลนั่งอยู่นวลเออมีฐานะลูกใช่ปะ่ะมีน้องไหมมีฐานะพี่ใช่ไหมมีพี่ปะ่ะ ก็เป็นฐานะน้องด้วยนี่เป็นนา้าเป็นป้ายัางเป็นป้ามีฐานะป้ า, า, า, ปาด้ยมีเจ้านายปะ่ะมีฐานะลูกน้องอยู่มีลูกน้องไหมมีฐานะเจ้านายอยู่เห็นไหมคนเดียวนะโอยกี่ฐานะแล้วนี่ยมีครอบครัวยัง อ๋อขาดไปฐานะขาดไปฐานะเลยมีเพื่อนใช่ไหมมีฐานะมีครูปะ่ะก็มีมีฐานะเป็นศิษย์มีลูกศิษย์ปะ่ะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราเอาไปธรรมะที่ไปใช้เพื่อทําฐานะของเราให้เข้าสู่ความเป็นดีเป็นลูกที่ดีเป็นหัวหน้าที่ ดีเป็นลูกน้องที่เป็นพี่ที่ดีเป็นน้องที่ดีเป็นป้าที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี โ, โหดีเยอะเลยอะ่ะถ้าเราไม่เอาไปใช้มันเสี่ยงอะ่ะเสี่ยงกับความเป็นลูกที่ <Yeah. S 1> เป็นไงดีไหม <laughs> รุ่มพยานอยู่นั่นแหละมันเสียงมากอะ่ะรูปะ้ป่ะแต่ถ้าเราเอาสติสมาธิได้ปัญญาที่เราฝึกไปใช้เนี่ยเพื่อพัฒนาฐานะของเราเข้าสู่ความเป็นดีอือแล้วลูกดีดีไหมลูกอะลูกบิดเลยโหถามลูกดีไหมลูกหนุ่มหมุนหมุนข้างเลยอ <c oughs> ลูกดีไหม <c oughs> <c oughs> ด, ด, ด, ด <c oughs> โีโอ้โห ชี้คนนี้นะเอ้ยชีย้คนนี้ว่าลูกดีไหมคนข้างหลังพยักหน้าด้วยเออยิกนกทีเดียวได้สองตัวเนี่ยแล้วมันสนุกมันมีความสุขเพราะแค่พัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นดีได้นะโอ้โหเข้าไปในบ้านเนี่ยคนหนึ่งเป็นแม่คนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งเป็นพี่คนหนึ่งเป็นหลาน คนหนึ่ง อ, อ๋อยังยังไม่มีเนี่ยเราเข้าไปถึงปับ๊บโดยฐานะลูกก็มีความสุขโดยฐานะพี่ก็มีความสุขโดยฐานะน้องก็มีความสุขโดยฐานะป้าก็มีความสุขอย่างอ่ะมีความสุขเปบข้าบ้านกับทุกคนมีความสุขกับทุกคน แม่เนี่ยเบื้องต้นเลยนันมาใช้แล้วพัฒนาเข้าไปสู่ฐานะของความเป็นดีอืมไม่ใช่ว่าพออยู่ข้างนอกโอยดีหมดยิ้มเย้มเจีมใส่พอเข้าบ้านเป็นไงไปเจอหมาก็ทึ่หัวรถถอยหนกนสนามกับหมาพอเจอหน้าคน อไปถึงหมามันมาก่อนนี่โอ้ยเล่นกับหมาสนุกสนานเลยพอเจอหน้าคนก็ไปไปเจอหน้าคนน้นยิ้มหวัดดีครับพอเจอหน้าคนนี้หุบพอเจอหน้าคนโน้นหุบ เ, เจอหน้าคนนี้ยิม้มอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงให้มันสู่ฐานะของความเป็นดีโดยใช้สติสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนมานี่แหละ เอาไปใช้เอาไปพิจารณามันจะได้ความรู้เยอะมากเลยในการใช้ชีวิตของเราอันนี้ไม่ใช่นะบางคนมันไม่ได้เห็นคนเลยนะแค่เห็นรองเท้ามันก็หูบแล้วอะ่ะไม่เปนเกี่ยวอะไรเห็นรองบางทีเห็นร่มอารมณ์ร่มนี้ของไอ้คนนั้นแน่เลยเปลียดร่มเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นไม่ได้ถ้าโดยทั่วไปอ่ะได้เพราะพระเจ้าบอกว่าปาปัสมิงรมทันทังหิกระโตพุญย่างถ้าเราขืนมัวชักช้าถ้าเราขืนมัวชักช้าปาปัสมิงรมติมโดใจเราจะถูกบาปเข้าครอบครองมันเป็นอย่างนี้เพราะใจเรามันเคลื่อนไหวอยู่สองเรื่องอย่างที่รู้คือกิเลสชาติกับคุณชาติที่เราฝึกฝนพัฒนานเนี่ยเพื่อให้คุณชาติเป็นใหญ่ แต่โดยปกติอาสิา่กิเลสชาติมันครองอยู่นี่ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอาสวะมันเอาไปกินหมดอหะมันเอาหมดยึดหมดไม่เหลือไม่เหลือเลยมันเราต้องเอาไปใช้พอไปใช้ขั้นแรกเลยเพื่อพัฒนาเข้าสู่ฐานะของความเป็นดีให้ได้ก่อน มันไม่ต้องดีเลริรดีเลอร์หรอกแล้วลกับคนด้วยกันกับคนด้วยกันต้องพัฒนาขึ้นมาให้มันมีความรู้สึกสามแบบที่เข้าสู่ความเป็นดีคนที่เหนือกว่าเราไม่ว่าด้วยวัยวุฒิก็ตามด้วยคุณวุฒิก็ตามเราจะต้องยกย่องยกย่องนับถือคนที่สเสมอกันกับเราให้เกียรติ คนที่ตามกับเราต้องเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์และก็เบตานี่จิตมันเป็นอย่างนั้นจึงจะเข้าสู่ฐานะของความเป็นดีได้เราจะฝึกอะไรมาก็ช่างแต่ถ้าในชีวิตประจำวันมันเอาดีไม่ได้ในฐานะต่างๆเนี่ยมันใช่ไม่ได้กล้าพูดว่ามันใช่ไม่ได้ ừ ừ เห็นด้วยไหมล่ะ นี่ไม่ใช่บางครับกูเขียนนะจริงไหมถ้าในฐานะต่างๆที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันมันเอาดีไม่ได้เลยอืมเราฝึกฝนข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรขนาดนั้นอะ่ะเรายังเอาดีไม่ได้อะ่ะแล้วมันจะเป็นละอะไรได้ถูกไหมวันนี้ก็โชคไม่ดีนั่งใกล้หน่อยเราอะ่ะ ถามบอยเพราะฉะนั้นภาคเช้าก็พอแก่การเวลาในการฟังธรรมโดยสรุปก็คือว่าให้เอาสติที่ฝึกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแปดเรื่องคือเรื่องปัจเจศีเรื่องอีริยบทสีนะเรื่องปัจเจศีและเรื่องอีริยาบทสีเป็นหลักเรียกว่าแปดฐานสาหรับการใช้ สติและสมาธิและปัญญาที่เราฝึกฝนเรื่องที่2คือเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติของตนซึ่งแบ่งไว้ให้สระดับคือระดับของสันตะก็คือเรื่องดูความสงบแล้วก็ดูความประณีตแล้วก็ดูความเช่มชื่นนะดูความเช่มชื่นจาได้ป่าแคทสงบประณีตเชื่มชื่นเออ ทีนี้เรื่องต่อม า, เ, อาเรื่องเรื่องเรื่องต่อมาคืออะไรวะที่พูดเช้าเนี่ยเรื่องต่อมาคือเรื่องของเอ่อะเอ่อเรื่องการใช้ศีลเรื่องการใช้ศีลเมื่อกี้จำได้ไหมนิทพทธภาคิยาศีล อ่าวาริตาสีลกับจาริตาสีน่นะพวกเราน่าจะได้อยู่แล้วแหละแต่มันต้องอาศัยการสมาทานนะแต่เนปนิพเพธภาคียศสีนสีลอันเป็นส่วนของความชั่แรกคือหยุดการเคลื่อนไหวหยุดความคิดที่จะฆ่าหยุดความคิดที่จะโกงหยุดความคิดที่จะผิดศีก็สามอะ หยุดความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดหยุดทำร้ายตนเองด้วยการเส็บสิงมืนมอง้อนี้หลายคนนะั้งใครยังมีเส็บสิ่งมืนเมองมีนะนะบ้างเราาเรียก ว, ว่าบ้างแต่เราต้องหัดหยุด บางทีบางคนเขาก็เป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าสีนข้ออื่นได้แต่ข้อสี่กับข้อห้าไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้มันต้องต้องต้องใ้สังคมอะ่ะต้องใ้สังคมต้องติดต่อลูกค้าต้องเจรจาธุรกิจโอ้มันหลายเรื่องเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันธุรกิจนี่มันจะเจริญได้ด้วยการโกรหกใช่ไหม การค้านี่มันจะต้องพัฒนาอย่างเกรียงไกรด้วยขี้มมงใช่ไหมมันมันไม่ใช่บางคนแบบนี้อีกเออหลวงพ่อพูดเข้าท่าต้องเชื่อหลวงพ่อแล้วเว้ยเดี๋ยวต่อไปผมไม่เอ า, เาแล้วพอเขไปเขาไปถึงเสร็จก็ชวนดื่มเหล้าไม่กินตามทำไมไม่กินนะหมอห้ามทำไมมันน่าอายมากเหลอที่บอกว่า ถือศีลน่ะมันกลับไปทิ้งศีลข้อที่สี่ไปโกหกหมอห้าม <c oughs> พอบอกหมอห้ามมันก็รอดตัวไม่ต้องกินเหล้าโอ๊ยสบายใจรักษาศีลได้หาโลไม่ก็สี่หมดแล้ว <c oughs> มันมันมันพูดได้ไหมบอกเออพอดีไปวัดมาสัญญากับหลวงพ่อรักศีลมาแล้วก็อยากจะรักษาให้ได้ตลอดวันก็พูดได้ พูดได้ว่าเราขอถือศีลหน่อยเออแต่เมื่อี่ไม่ยอมพูดกลับพูดว่าหมองามเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เข้าถูนิเพทะพาคียศีนอันนี้ไม่เคยนํามาพูดเพิ่งพูดวันนี้วันแรกคือคือใช่ไม่โดยไม่ต้องไปตะกิตตะขวงใจว่าไม่ได้ไปรับมาจากพระเพราะว่ามันเลยชั้นของการสมาทานอันนี้เป็นวิรัสส่วนตัวอืม สี่สิบแปดอ่ะสีลสิแปดสี่สิบสิบสองยี่สิบเจ็ดเราบวกเพิ่มบ้างไปได้แต่เราเป็นคาราวาสเนี่ยเราเลือกศีลที่จะบวกเพิ่มก็ไปได้เราตั้งต้นที่สี่ห้าใช่ไหมเราตั้งต้นที่สี่ห้าเลยว่าเหมือนอย่างสุวรรณนี่แกสีห้าบวกแกสีหบวกอยู่เรื่อยเลยก็แกบวกอยู่ทุกวันะเราบวกก็ไปได้ดูซิว่าวันนี้เราคล่องตัวกับมาแล้วสี่ห้าบวก บวกหนึ่งบวกสองอหรือบวกบวกสามก็แปดแลวชหรือสีห้าบวกสองจุดห้าอย่างเงี้ยอบวกได้ไหมเออบวกได้มาลาคันทะวิเลปันอ่า นัจยีตวาดิตะบิสูกัสสนะมาลาคันทะวิเลปานะธารณะมันนะวิปุตนะถานาเวรามณาีิี่คาะตังสมาธิยามิมันยาวใช่ไหมล่ะเออเอาครึ่งหนึ่งก็คือจุดหน้าเพราะฉะนั้นห้าบวกสองห้า เพราะบางคนตะกิจตะขวงใจว่าไอ้ครีมที่จะเอามาทาร่างกายเนี่ยมันเป็นยาหรือเป็นเครื่องสำอางไม่ค่อยสบายใจไม่เป็นไรเลิกไปเลยตรงนั้นตัดออกไปครึ่งหนึ่งทาให้สบายใจเอออ้าวมันเป็นเขาเรียกว่าวีรัตมีความเด็ดขาดในการที่จะตั้งใจถืออย่างเนี้ย ถือไปเลยถืออย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นนิเพทะก็คือว่ามันจะทันอะไรมันจะเจาะอืมันจะเจาะกําแพงของโมหะเจาะกําแพงของอวิชาเจาะถังของอาสวะมันเจาะเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เราไม่สแสดงปฏิญญาในการที่จะวิรัตเจตนาในการที่จะถือศีลเนี่ยอํานาจของอาสวะเนี่ย มันยิ่งใหญ่มันจะส่งออกมาเพ่นพานอยู่ข้างนอกเราโอยไม่ได้ทําอะไรอ่ะเป็นค่ามันชาติแล้วชาดเร่าเกิดตายเกิดตายกระดูกกองเป็นภูเขาเรากาแล้วก็เอาสักหน่อยก็เอาศีลนี่แหละแต่ว่าเราวิรัตด้วยใจของเราเองถือไปเลยประกาศถือไปเอา้าศีลของสามราเด่นมีศีลสิบเราก็บวกไปของพระมีตั้งสองร้ย่ิบเจ็ดเราก็เลือกได้ เลือกเอาไว้ที่ถือง่งายๆโมโกรู้วยของพระเอามาถือได้ยังไงแม่เจา้าเว้ยถือเถอะของพระนั้นท่านมีโลเยอะมากอ่ะดืด่มน้ำมอต้องปาจีตีลาพิสุต้องปาจีตีจี้พิสุให้หล่อพิสุให้ครัวผีต้องปาจีติแล้วก็เว้นนะนะ หลอนพิสูจน์ให้ครัวผีต้องปลาจิตตีไหวน้ําเล่นต้องปลาจิตตีเยอะแยะไปหมดเลยข้อห้ามอ่ะมันมีเยอะแยะไปเลยเราไปดูที่นอกจากสีหน้าแล้วโอ้ยบวกของหลวงพ่อพีชดสิบยังได้เลยนี่ยี่สิบยังได้เลยนี่โอ้ไม่ใช่นั่นนะถือได้บวกได้บวกเข้าไปบวกเข้าไปแต่มันไม่ใช่เจ ต, ตนาบวกเพื่ออะไรบวกเพื่อการช้ำแรกเพื่อการทะลุเพื่อการไม่ยอมตกเป็นขี้ข้าของพวกอวิชชาและอาชาวะ เรื่องนี้ทำได้หมดนะ่ะมันก็เอื้อต่อการสนับสนุนต่อการปฏิปฏบัติอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของศีลที่เรานำไปใช้เรื่องสุดท้ายวันนี้ที่ได้พูดก็คือเรื่องระดับของการปฏิบัติตรวจสอบการปฏิบัติของตนเองสามเรื่องมีตั้งแต่เรื่องของความสงบเบื้องต้นปราณีตและแช่มชื่นก็คิดว่าพอเป็นประโยชน์และพอเป็นที่เข้าใจในช่วงเช้า อันตอนนี้ก็พอทุมกวรแก่เวลาให้พวกเราพัก1ิบนาทีแล้วกลับมานั่งภาวนากัน